ก่อนจะขึ our, you know, er United, and then, and our, ้นลำบากบรทำอยากให้เราทั้งหลายได้สวดบทสาธยายทำพุทธคุณทำบุักังฆคุณถวายในหลวงพระจินีแล้วก็พอสุดนี้ก่อนโดนทั้งตัวเราแล้วก็บัณชากรโลกทั้งหมดที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วถึงทุกประเทศคือโควิด1 9จีหนึ่งเก้าขอรัตนาพุทธคุณทั้งคุณพร้อมๆกันนะ ทิฏปิโสภคาวาอะระหังสัมมาสัมปุทโวิจาระนสัมปันโนสุขตโลกะวิโตอนุตารวบุริสัทธามัสสารติสัทธาเทวมนุษย สาสัาพุทโธพระควาติสวะคาโตพระคาวตาธรมโมสันติิโกอาาลิโกเอหิปันหิโกอปนิโกปัจจตังเวทิสัโพยิน สุปฏิปันโนมภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนมภะคะวะโตสาวกสังโฆยยะปฏิปันโนมภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนมภะคะวะโตสาวกสังโฆ ทางจัตตาริปุริสายุคานิอันปุกคาราเอสพระเขวโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทากิไนอันชริกระนิโยอนุ ตระกูลญาติเต็งโลกาสตาธิอภรณ์ม่วยนโมจตสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสนาโมจัสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสนาโมจตสะภควะโต อรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหเวรักติธัมมะจาริติทุกท่านเอามือลงนั่งสำรวมกายสำรวมใจนั่งสมาธิฟังธรรมตามที่ได้ทางจิตทั้งใจกันมาขอเจริญท่านประธานชมรมพุทธศาสนาของ ทีโอทีทุกท่านทุกเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแล้วก็ญาติโยมผู้ติดตามมอาอฟังจากการโดยฟ้าด้วยแล้วตาสันหานผู้ตามมาผู้มีศรัทธาใครในธรรมแล้วเขาเจาเริญพรทุกๆหน่วยงานก็ด้วยความ <c oughs> มีศรัทธาพุทธศาสนาคนยมกิตติดดวยประสาน กานไปกับทางยมแดงได้นิบนมาก็ถือว่าโอกาสดีความที่เราทั้งหลายได้มีความศรัทธาพระศาสนานี่เป็นเรื่องดีนะผู้คร่ต่อธรรมถือเป็นผู้บริสุทธิ์ทางทจิตใจถ้าใจแล้วเมื่อบริสุทธิ์จะเข้าถึงธรรมก็ยากจิ่งคนปรารถนาสวรรค์และนิพพานเนี่ยถ้าไม่มีเจตนาแล้วก็ไม่สามารถจะผ่านไปได้ง่าย คนเราจะเดินทางไกลมีสัมภาระเยอะโดยเฉพาะเราทั้งหลายที่เป็นพุทุชนภาระหน้าที่การ ง, งานเป็นที่ถ่วงดึงแล้วก็ลั่งเอาไว้ทุกคนตัวจะมาเองกว่าจะบวชได้กนยาวนานมากถึงว่าการฟังธรรมเนี่ยมันยุ่งยากกับการปรารถนาชีวิตคารวะมันทุกมากก็โยกิตติว่าขอบารมี ช่วยชี้แนะชี้ทาง้วยว่าจะทํายังไงเราคนทํางานแต่เราอยากปฏิบัติธรรมนี่เล่สําคัญสําคัญคําถามนี่ถือว่าเป็นคําถามที่ดีมากเพราะทุกคนมีงานทําแต่ว่าใจก็ใฝ่ธรรมและปัตธนาความหลุดพ้นนี่ถือว่าเป็นประโยชน์กับคําถามถือว่าเป็นประโยชน์เป็นกระทู้ธรรมที่ดีมากเลยเหมือนลํบากบทที่ขึ้นต้นมานั่นแหละทำโมหะเวรกติธรรมจาริงผู้ที่ไข้ต่อธรรมเนี่ย เป็นคนที่มีสติมีปัญญาอันบริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดมนุษย์ปกติธรรมดาบอกเข้าวัดเนึ่เอาช้างมาลากเอามาบดึงยังไม่เข้านะแต่พวกเราเนี่เข้ามาอยู่ในทีโอทีหน้าที่การงานตื่นดึกลุกเช้าบางท่านบักตื่นตีสามมานั่งสมาธิก่อนออกจากบ้านไหว้พระสวดมนต์อีกนี่สำคัญใจดวงเดียวของเราทั้งหลายนี่สคัญมาก พระพุทธเจ้าก็เคยเป็นเหมือนพวกเรานี่ลหละจงภูมิใจนะทุกท่านเจ้าชายสิท ธ, ธะก็ใคร่ต่อความทุกข์หาทางออกจากทุกข์ก็เหมือนพวกเรากำลังหาทางออกเช่นกันพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในพระราชวังแต่พระองค์มีจิตหาที่สงบหาที่หลุดพ้นหาชังพ้นจากทุกข์ เราทั้งหลายก็เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะที่เคยเป็นมาแล้วจงภูมิใจในตัวเองจงมีความตั้งใจมั่นต่อไปเมื่อเจ้าชายสัตว์ททางสว่างให้เราเห็นในการออกบวชพัฒนาตนจนได้มรรคผลอุปทานเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายหน้าที่การงานก็เช่นกันการจะทํางานให้บริบูรณ์แล้วก็มีเจตนาตั้งใจทําเต็มที่ อย่าได้คิดว่างานนั้นเป็นของใครอย่าคิดว่างานนั้นเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้ต้องคิดว่านั่นคือหน้าที่ของเราจิตตรงนี้แหละจิตดวงนี้จะเป็นผู้รักงานแล้วก็จะทำงานได้สมบูรณ์แล้วก็บริสุทธิ์จิตจะผุดผ่องเพราะหนึ่งจิตจะไม่ไปยึดมั่นไม่มีปฏิฆะไม่มีความถือตนถือตัวทิฏฐิมณนะไม่มีเพราะว่างานของเราจำเอาไว้นะโยม นั่นคืองานของเราหน้าที่ของเราไม่ได้ทําเพื่อใครเพราะเป็นหน้าที่ของเราคิดแค่นี้พอใครจะได้ผลได้ประโยชน์อย่าไปคิดตรงนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราเข้ามาทําแล้วให้มันสําเร็จนั่นพระพุทธเจ้าของเราก็เคยทําหน้าที่เจ้าชายสมบูรณ์ที่สุดแล้วเมื่อสมบูรณ์แล้วจิตมันก็อิ่มอิ่มที่เห็นความเปลี่ยนไปของเส้นผมคนอยู่ในพระราชวัง เห็นคนแก่ลังค่อมลังออในพระราชวังเห็นคนที่เกิดเห็นคนที่เริ่มโตเ ป, ป็นหนุ่มเป็นสาวเห็นคนก็เริ่มแก่เส้นาหนามาดเริ่มหัวเปลี่ยนสีเป็นสีขาวสีน้ำตาลสีขาวจากดำมาจึงเห็นตรงนั้นแหละเป็นจุดเกิดความอยากจะออกจากพระราชวังไปหาทางพ้นจากทุกข์ พอเราอยู่อ o ีเมื่อกี้ถามแต่าละท่านยี่สบกว่าปีสาสิบห้าปีเขาเหมือนเจ้าชายที่อยู่ในวังอยู่ในพระราชวังท่านยี่สิบเก้าปีกว่าจะออกจากพระราชวังได้ดูสิยี่สิบเก้าพรรษาของพระราชาที่ปิดกั้นปิดบังไม่ให้ลูกชายออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วเราก็เช่นเดียวกันให้น้อมเข้ามาถึงหน้าที่การงานเวลานี้เราทำงาน แต่งานที่เราทํามันใกล้จะเต็มแล้วใกล้จะเต็มหน้าที่ของเราใกล้จะบริสุทธิ์ใกล้จะบริบูรณ์ใกล้จะหมดอายุไขางานงานอันนี้ทําไปเมื่อถึงเวาลามันก็สิ้นสุดตรงกรเกษียณพอถูกสั่งพักหรือปลดกเกษียณแล้ววางแล้วนั่นแหละจิตจะพินิสระช่วงนั้นพินิสระช่วงนั้นแล้วก็ต่อยอดจากตรงนี้เมื่อว่างจริงๆแล้วจะทําจริงไหมทีนี้สําคัญตรงที่ว่าว่างแล้วจะทําจริงไหม ถ้ายังคิดว่างแล้วยังไม่ทำจริงสิ่งเหล่านั้นก็จะก่อกวนจิตใจพวกเรามากเท่าชายสิทธาเขาเคยเป็นมาแล้วเคยอยู่ในพระราชวังจนอึดอัด จ, จะต้องหนีออกไปดูเห็นไหมแอบออกไปดูแอบไปเห็นถึงพระราชาจะสั่งคนตกแต่งบ้านเรือนต่างๆก็ยังกั้นไม่อยู่เทวทูต ก, ก็ยังแสดงปฏิภาคให้เห็นให้นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นรักปวด เห็นนักบวชเป็นที่สุดของการค้นคว้าหาทางออกก็ได้รูปนักบวชที่เห็นจากเทวทูตเทวดาที่แปลงกายมาเห็นวันนี้เราก็เช่นกันเราเห็นนักบวชมาเยอะต่อเยอะแต่ว่าเรายังมีหน้าที่อยู่เราก็มุ่งหน้าที่ให้สำเร็จไปด้วยการพิจารณาธรรมการพิจารณาธรรมจะอยู่ยังไงกับหน้าที่ได้คนทำงาน เวลาตั้งเวลาแนละ้วเวลาแปดโมงถึงห้าโมงเย็นที่เราจะต้องเลิกงานเวลานั้นก็คือเวลางานให้เต็มที่เพราะว่าอางงานเวลาภาวนาก็ย้อนเข้ามาดูจิตภายในให้เต็มที่เช่นกันเรารักงานขนาดไหนตั้งใจขนาดไหนเราก็ต้องใจพิจารณาธรรมได้ขนาดนั้นอย่าให้แพ้กันทุกขสุขมันเสมอกันต้นไม้สองต้นเท่ากันหมด แต่ต้นหนึ่งมีหนามต้นหนึ่งไม่มีหนามต้นหนึ่งออกลูกให้ฐานต้นหนึ่งมีแต่ใบมีหนามด้วยกินไม่ได้ก็คือสมมุติและหน้าที่การงานสมบัติภายนอกเราไม่สามารถจะเอาไปไหนต่อไหนได้ถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่เหมือนหน้าที่การงานถึงเวลาเขาปลดกเกษียณเราเหมือนต้นไม้ที่มีหนามมีใบให้เงาคือเราได้อาศัย ได้อาศัยธรรมาเลี้ยงชีพเมื่อที่สุดแล้วเราจะต้องสละมันออกเราจะหาต้นไม้ใหม่ก็คือต้นไม้ที่มีใบมีลูกให้ให้เราได้รับประทานนะั่นคือบุญกุศลที่เรากําลังทําเวลานี้บุญทานศีนลเราก็ทําหมดภาวนาที่นี่เรื่องภาวนาที่สาคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาพวกเราแต่ถ้าไม่มีทานก็ไม่มีบันไดเดิน ถ้าไม่มีศีลแล้วก็ไม่มีจิตอันบริบูรณ์เราก็ไม่สามารถที่จะบําเพ็ญเพียพรภาวนาทางจิตใจให้สงบได้เช่นกันเพราะฉะนั้นของสามสิ่งนี้จะอยู่ด้วยกันทานศีลภาวนาจะต้องอยู่ด้วยกันต้นไม้ต้นเดียวต้องมีทั้งรากทั้งใบสมบูรณ์แล้วมีดอกออกผลได้รับประทานแถมยังให้ร่มเงาลูกหลานเด็กคือกุศลนี่เราทําแล้วลูกหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายยังได้เสวยกับเราอีก ได้ผลบุญจากเราอีกนี่มันจึงเป็นผลมากเหมือนต้นไม้ที่มีลูกมีผลเราปลูกแล้วก็ได้กินลูกกินมเมล็ดมันแบ่งแจกใจ่ายให้ญาติให้โยมลูกหลานได้ทานโดยบุญตัวนี้เราจะแผ่ไปให้ใครก็ได้เมื่อจิตของเราบริบุญสมบูรณ์แล้วมันเกิดขึ้นเองหลักของภาวนาก็ต้องเกิดมาจากทุกนั่นแหละถ้าไม่มีทุกเราจะเห็นสุขก็หาไม่ พระองค์ก็ทรงแสดงว่าทุกสมุทัยนิโรธมากเพราะทุกมาก่อนหน้าที่การงานมันเล่งเล้าเล่งรัดมากน้อยก็เป็นเรื่องงานอย่าเป็นเรื่องทุกข์ถ้าเป็นเรื่องทุกข์แปลว่าจิตเรามีอัตตาตัวตนจิตของเรามันจะมีห ล, หลายอย่างหลายอารมณ์มีความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจมีอารมณ์แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีวิบากกรรมด้านลิษยานี่ตัวนี้จะทําให้เราอ่อนไหว อ่อนแอถ้ามีอารมณ์เหล่านี้ให้ตั้งสติไว้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ของเราเราฝึกฝนให้เป็นพรมวิหารทำพรอยยินดีกับเขาแก้ไขวิธีจิตของตัวเองแรงเิษยาจะลดลงจะภาวนาก็ได้ง่ายถ้าเราไม่จิตอัตตาตัวตนแล้วก็กรุณาเขาเดื่อเขาได้ดีจิตดีเขาด้วยมันจะลดอัตตาตัวตนลงมา ถ้าเราเป็นคนตนีี้เนียวฝึกฝนยินดีเมื่อก็ททำบุญทาทานบูรนาสัตว์เขามันจะเป็นเมตตาให้กับเราฝึกแค่นี้แหละกำลังปฏิ ป, ฏ ป, ฏ ป, ฏปฏัสจุ บ, บาทที่บังเวียนไหวแต่เกิดในภพอารมณ์ของเรา ม, นนะมันจะมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีเมื่อจิตเราฝึกฝนมีพมวิหารทำแล้วเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราเลยเนะหน้าทีก่การงานก็จะเป็นของเราละไม่จะเป็นของใคร ใจที่เคยมุ่งมั่นส่งออกก็ไม่ไปแล้วทีนี้เพราะเรามีกรุณาแล้วมีอุเบกขาวางแล้วนัวเราพอใจยินดีหน้าที่การงานแล้วก็วางหน้าที่ภายนอกออกทำให้เต็มอย่ากังวลขณะที่เราทางานจะไปยุ่งเรื่องภาวนาให้เอาจิตมาพิจารณาหน้าที่งานสมบูรณ์ไหมหน้าที่บกพร่องไหมอันนั้นก็เป็นองค์เจริญสติกรรมฐานเหมือนกัน ก็มาถามมัเกิดในจิตที่มีวิริยะมีวิริยะแห่งความเพียรทําหน้าที่ก็เป็นวิริยะอุตสาห์แห่งความอดกัน้นความบดทนต่อทุกข์ถ้าเราฝึกบ่อยๆจเจริญสติตามรู้เหมือนกับเราได้จเจริญสติประฐานสี่ไปด้วยเรื่องกายเวทนาจิตธรรมอารมณ์เหล่านี้มันจะผ่อนคลายลงไปเลย ความทุกข์ที่กับแค้นใจมีมาก่อนมันจะเริ่มผ่อนคลายผ่อนคลายเราทำงานเหมือนเราอยู่บ้านไม่ได้อยู่ในบริษัทแห่งนี้เหมือนเรานั่งอยู่บ้านเหมือนเราคุยกับญาติพี่น้องเหมือนอยู่กับพ่อกับแม่จิตเราจะเป็นผู้สันโดษมักน้อยไม่เอาจิตไปคล้องแวะคนอื่นไม่ไปตาหนิคนอื่นในจิตมันจะเจริญขึ้นมาเรื่อยๆจิตเราก็จะเป็นหนึ่งพอเป็นหนึ่งปุ๊บก็เรียกเอกกะตายทางานว่าง ว่างเลยว่างจากความกังวลผลแห่งการปฏิบัติหน้าที่ก็จะยอดเยี่ยมนี่ตำแหน่งก็ขึ้นซีขั้นเงินเดือนก็จะปรับให้เห็นไหมนี่ตัวกุศลที่ได้จากการอุเบกขานะไม่เอาจิตไปคล้องแวะคนอื่นมุ่งหน้าที่ตัเองให้สำเร็จเมื่อมุ่งหน้าที่ตัเองสาเร็จแล้วทุกอย่างมันจะสำเร็จตามมาสิ่งที่บรรานยากมันก็บอกทาไมมันเกิดขึ้นไม่ได้มันง่ายจัง นี่เหมือนเรารอกันเนี่ยรอคิวหลวงพ่อมาเนี่ยเอยหลวงพี่เนาะลืมไปให้เป็นหลวงพี่สักวันรอมาตั้งนานแล้วเห็นไหมถึงเวลามันก็ได้มานี่แหละเนี่ ย, ยบุญนะนช่วงที่ไม่ได้มายัางมิพิบากกรรมกันอยู่นะเห็นไหมเนี่ยเรามาช่วงไหนช่วงที่วิกฤตด้วยช่วงเป็นโอกาสพวกเราคือวิกฤตโควิดในทีมเนี่ยมันสําคัญเวลานี้จะมาเอ๊จัดได้หรือคิดในใจู้อ้สัตยาเนี่มันเหนือ บาปเนือกรรมแล้วก็นั่งคิดที่นามาทั้งมาคืนนะก็ศรัทธาเนี่ยมันมากกว่าบาปกว่ากรรมแนละ้วมันกุศลเนี่ยมันไปเพรากุศลเนี่ยมันใหญ่กว่าวิบากกรรมทําอันนี้มันบริบุรณสูงกว่ากรรมทั้งหลายทั้งปวงวันนี้เราได้ไปไปว่ามานทั้งหลายพ่ายแพ้เราแล้วนะั่นนี่เป็นอย่างนั้นนั่นเพื่อจะภาวนาทํำยังไงเนี่ยในฐานะเราเคยเป็นโยมมาก่อนมาบวชเคยคิดเหมือนโยมเคยวิตกเหมือนโยมแหละ บางวันทํางานไปต้องแอบเข้าห้องน้ำไปนั่งสมาธิในส้วมบางทีนั่งมาชั่วโมงนะเท่าแก่ผู้จัดการเธเหมียตามหาช่างไปในช่างไปไห น, ไไหนอยู่ในห้องน้ํามานั่งสมาธิอยู่บางทีก็จิตมันรวมขนาดกระึงงานอยู่ก็อยากไปเดินนงคมก็แกล้งเข้าขนนห้องน้ําเดินนงคมห้องน้ําจิตไปสมาธิยื น, นสมาธิแล้วพอจิตมันรวมเสร็จก็หายใจเข้ากําหนด พอสมาธิมันรวมสักพักเอาไปผ่อนคลายเอาไปทำงานต่อนี่เป็นมาแล้วโยมเป็นมาขนาดนั้นบางครั้งขนาดหิวข้าวนะงานมันเร่งไม่มีเวลาพักไปตักข้าวที่เราแก่เตรียมไว้ให้เนี่ยมายืนกลึงงานพ่นา ง, งานแบบดูแบบไปด้วยดูแบบแปนแบบพิมเขียวที่เขาเขียนมาดูจะสั่งงานกรึงงานแล้วก็เข้าเครื่องปัมเปิดโมยมันว่างน้อยก็เลยตักข้าวไป ถ้าอยากนั่งสมาธิเอาข้าวนั่นแหละเข้าไปนั่งทานในห้องน้ํานั่งอยู่บนโถส้วมมาทานไปด้วยระหว่างทานข้าวเนี่ยทำยังไงโยมมีใครบ้างจะมาไหมเนี่ยบ้าไปลงทีไหมลูกเราววางแล้วเออนะเห็นไหมเออเนี่ยข้าวก็ตากเข้าปากเออเอ็กําหนดดูปุ๊บมันจะออกอะนะคุมเลยมันดูหัวนผนอะไรกันผนออกวัดจุ๋มเฮ้ยมันรู้สึกมัน เสียวสั้นเข้ามาเอ่อแป๊บเมื่อเกิดความเย็นเย็นเข้ามาเออมีความสุขอ่ะมีความสุขตรงมันหลุดเออเออแล้วก็เออแล้วก็ลบค่มหรือเคี่ยวอาหารไม่ด้วยนะค่อมหรืเอเฮ้ยมีความสุขอ่ะทุกประหลดไปแล้วน่ะเออคําว่าน่าเกียรดหรือทานข้าไปลงโอ้อร่อยพิเศษเลยนะโยมกลิ่นของที่มันมีกลิ่นไม่รู้มันไปไหนอ่ะไม่มีแล้วมันกลายเป็นกลิ่นน้ำหอมมาแทน ข้าวที่จากเข้าปากในจานมันกินหอมมาแทนนะ่ะกินเออแล้วไม่มีนะเอาขนาดนั้นนะถ้าพูดเรื่องการภาวนานี่ก็ไม่ยอมคนเหมือนกันนะเหมือนโยมกิติช่วยแนะนําเรื่องนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้เล่าปร ะ, ะสบการณ์ให้ฝั่งโยมจะได้ไม่ทอ้อแต่จ้ามายก็เป็นอย่างนั้นเป็นมาก่อนเพราะว่าเรื่องภาวนานเนี่ยเรียนมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่สองขวบ ก, กว่าก็ภาวนานแล้วเดินนกกรมไปแล้วนั่งสมาธิไปแล้ว ทีนี้มาเป็นหนุ่มทำงานก็เอ๊มันทั้งอยากนั่งสมาธิทั้งงานก็เร่งข้าวก็หิวไม่พักละทั้งทำเอาถ้าเกิดจะทานข้าวถือโอกาสเข้าไปทานห้องน้ำระหว่างอุจจาระด้วยเอาเวลาเดียวให้เป็นประโยชน์พร้อมกันจึงได้สิ่งที่รู้ขึ้นมาในจิตใจโอ้เรานี่มันทำได้ทุกอย่างในเวลาเดียวกันขอให้แยกสภาวะจิตแยกอารมณ์ให้ถูกแยกเวลาให้เป็น สิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้มันสามารถทําพร้อมกันไปได้มันไม่ได้ยากอะไรเลยแต่เราจะต้องวางใจให้เป็นกลางทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีความรู้สึกขณะ น, นั้นต้องแยกกายแยกจิตแยกอารมณ์ไปนอกไปในให้มันออกเลยสรุปแล้ววันนั้นก็ได้สมาธิขนาดนั่งอึดั้งทานอาหารไปด้วยพิจารณาธรรมไปเห็นอสุภะต่อนทีบอลนตุ๋มลงไปโยมที่นาสุดเนาะ เคยให้อาหารปลาไหมกามมือหวานลงไปปุ๊บมันจะกระจายใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจเย็นนี้กลับไปดูที่บ้านนะมันหล่นตุ่มสักพักมันโดนน้ำมันก็ค่อยขยายออกมาอุจจาระในโดนน้ำมันจะค่อยขยายแตกปุ๊บเต็มคอหานเลวคิดว่าโอ้ตายแล้วกายกูจะแตกอย่างนี้หรือเนี่ยนั่นมันเป็นอย่างนั้นนายงบิติทนะกายกูจะแตกอี่นี่กายกูต้องกายนี่ต่อไป ถ้ามันจะตายก็ต้องแยกเหมือนอุจจระโดนน้ามันกระจูกกระจายตุ๊บทีเดียวเต็มคอหา่านเลยน้องมาใส่ตัวโอ้ยเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนอุจจระเลยพอโดนน้ำก็สลายย่อยสรุปแล้วคําว่าก้อนอึกก้อนอึกออก้อนขี้เราเนี่ยมันไม่มีแล้วมันกระจายไปแล้วเพียงแต่เป็นรูปน้ําว่านี่คืออุจจระเฉยๆแต่ว่าตัวก้อนอยู่ละไม่มีแล้วเพราะฉนั้นตัวเรามันจะไม่มีเป็นของเราอีกต่อไป มีแต่จิตดวงเดียวที่รู้อยู่ดวงเดียวเท่านั้นที่มันจะอยู่กับเราที่มันเป็นผู้รู้อยู่ในขณะ น, นี้กายเนี่ยมันจะต้องสลายย่อยไปเหมือนที่เราเห็นมันเป็นอย่างนั้นมีชื่อว่าในตัวเราชื่อเราก็เป็นมาเป็นสมมุติอีกสมมุติก็คือชื่อเราเนี่ยร่างกายก็เป็นธาตุน้ำธาตุไฟดินลบไปเหมือนอุจจระที่มันกระจุยกระจายคาร์บอนอุจจะไม่มี เพียงแต่ชื่อว่านี่คืออุจจาระเฉยๆแต่จะหาก้อนกับมันไม่เจอตัวเราจะต้องเป็นอย่างนี้สุดท้ายเราก็ต้องสลายย่อยไปเห็นไหมนี่วิธีการภาวนาไม่ได้ยากขอให้มีความตั้งใจให้มีความตั้งใจมั่นเราจะเห็นทำทุกขณะทำไม่ได้อยู่บนฟ้าบนสวรรค์หรือลกทำมันอยู่ในใจของเราทั้งหมดอยู่ขณะยืนเดินนอนนั่งเดื่มทำผู้คิดมันอยู่ตรงนี้หมดไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกล <ท>ไม่ได้หาได้ยากแต่ถ้าเรามีสติตามรู้อยู่ทุกขณะเวลาทำมันก็เกิดทุกขณะเวลาไม่เคยว่างเว้นว่าจะไม่มีธรรมะเลยไม่ว่างเว้นแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อเราหายใจเข้าออกได้ทุกวินาทีเข้าได้ทุกเินาทีหายใจทุกเวลาทีฉันใดทมก็อยู่กับเราได้ตลอดทุกวินาทีมันไม่ได้อยู่นอกเหนือจากกายเราเลยไม่ได้หนอหรือนอกเหนือจากลมหายใจเราเลยมันอยู่ใน เดือนร่างกายทุกส่วนนี่แหละอาการสันติสองนี้เป็นครูเป็นอาจารย์เราทั้งหมดเนื้อหนงังบางสังก็เป็นอาจารย์เราหมดในรูปในนามก็เป็นครูเป็นอาจารย์พวกเราทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มาจากสิ่งไหนเลยพระพุทธเจ้าก็พิจารณาเนื้อหนงังฟันเล็บผมขนกระดูกเอ็นเยื่อในกระดูกดินน้ำไฟลมก็พิจารณาตรงนี้ไม่ได้พิจารณาที่อื่นที่ไกลพวกตัดสรุปก็ตัดสรุปใน ขันทั้งห้าเนี่ยไม่ได้คิดพิจารณาในเรือนร่างคนอื่นพิจารณาเรือนร่างตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมมันอยู่ตรงนี้ธรรมมันอยู่ภายในร่างกายเหล่านี้เราจะไปหาที่ไหนกันเพราะฉะนั้นการภาวนาก็ดีการทำงานก็ดีไม่ได้นอกเหนือจากการปฏิบัติเลยการทำงานเราก็เจริญสติตามรู้ความรู้สึกไปด้วยเราเปิดตาราพิจารณา เราดูคลื่นดูสัญญาณเราก็น้อมเข้ามาพิจารณาเรื่องจิตเราทีโอทีมันมีสัญญาณใช่ไหมการสื่อสารไลสายไลขอบเขตไม่มีประมาณแต่มันถูกจำกัดพื้นที่แต่ปัญญายาณที่ภาวนาจากการภาวนาเกิดญาณเกิด สมาธิขั้นปัญญาญาแล้วมันไม่มีขอบเขตไม่มีพื้นที่ให้ปิดกั้นปิดบังได้เลยมันจะอัศจรรย์มากกว่าขค้ื่โทรศัพท์เครื่อโทรศัพท์มันมีจำกัดเฉพาะเขตบ้านเขตเมืองต่างประเทศถูกบังคับขึ้นเป็นเขตเขตแต่อะไรร่างกายเราก็มี สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราหยิบยกมาพี่นะคืออาการ32ที่สุขก็ธาสีดินน้ำไฟลบคันทั้งห้าที่ว่าเป็นตัวทุกข์มันก็มีขอบเขตของมันแต่เมื่อมันเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วัอัศจรรย์มันทำลายกำแพงปิด ก, กั้นออกไปทั่วจักรวาลมันสามารถไปเห็นทั้งนรกสวรรค์เห็นสิ่งอัศจรรย์มากกว่ามนุษย์ธรรมดาที่เห็นได้ดังพระพุทธเจ้าที่ได้ทาให้เราเห็นมาแล้ว นี่จิตดวงนี้มันสร้างพลังขึ้นมาได้แล้วมันมีพลังมากแล้วมันไม่ธรรมดาโยมมันอัศจรรย์ยิ่งทำพระพุทธเจ้าที่คนพกคนเจอนี่มากกว่านักวิยทย า, าศาสตร์ดาราศาสตร์ทั้งหลายที่พยายามค้นคว้าทุกวันนี้ใช้เวลาเนิ่นนานเป็นร้อยร้อยปีเพื่อจะไปได้ถึงดาวอังคารแต่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพธิสีวาโพพระเจ้าไปได้ทั่วจักรวาลอันนี้อัศจรรย์นนะ เพราะฉะนั้นเรามีความพอใจในการเกิดในครั้งนี้แล้วมีความยินดีสะสมธรรมอันเป็นธรรมบริบูรณ์ที่สุดที่ทุกคนต้องการคือปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญารักษาตัวเองไม่ได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราไม่สามารถจะสร้างชีวิตสร้างอนาคตให้สําเร็จได้เพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในใจใครแล้วปัญญาจะช่วยเราเบื้องทุกข์ ปวดทุกข์ด้วยตนเองแล้วเราสมควรที่จะได้รับมรดกบุญที่เราได้ตั้งใจกันแล้วก็ตั้งชมลมพุทธในทีโอทีมา ก, กว่าสามสิบปีไปแล้วแล้วมาจนปัจจุบันยังเดินหน้ากันต่ออาจจะมารู้สึกดีใจเหมือนวัดอยู่ในเมืองเป็นวัดของบัณฑิตทั้งหลาย เป็นวัดที่อยู่ในล่มเงาพุทธศาสนาแบบเรียบง่ายเป็นสถานที่เลื่อนเิงทำทั้งหลายทั้งปวงสำหรับมนุษย์ผู้บริสุทธิ์เป็นบรณฑิตผู้บูชาธรรมเกิดขึ้นในเมืองกรุงเป็นสวรรค์และดิพันธ์ทางขึ้นสู่โลกมนุษย์ณสถานที่แห่งนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนั้นเพราะจิตของเราถ้ายกระดับขึ้นมาในตรงนี้แล้วก็เป็นอริยะบุคคลได้แล้ว เป็นพระโสดาบันได้แล้วเป็นพระสกีตาคาพระนาคาได้แล้วเราฟังมาสามสิกว่าปีนี้ปัญญาเราก็เยอะแตขาดเวลาที่เราจะเอาจริงเอาจังมัน้อยเปอร์เซนเท่านั้นเชื่อว่าทุกคนอิ่มมากแล้วพอแล้วทาแต่ต้องการดื่มดำให้มันเต็มที่สุดประคองจิตไว้กันได้ยินได้ฟังไปเรื่อยๆเพราะาหน้าที่การงานมันมาขวางทางเราอยู่ เบียดเมือนจะเดินข้ามคลองแล้วไม่มีสะพานเราก็ต้องลงน้ําไปพอจะขึ้นฝั่งนู้นก็ต้องเปียกเวลานี้เหมือนกันการงานหนะ้าที่เหมือนเราจะต้องหาไม้มาต่อสะพานซะก่อนเป็นสะพานข้ามฝั่งก็คือศีลสมาธิปัญญาที่จะข้ามฝากไปฝั่งนู้นคือฝั่งพระนิพพาน วันนี้เราทุกคนที่ได้รวมกันเวลานี้ก็ด้วยใจเหมือนสะพานที่เราก่อสร้างขึ้นมาที่จะข้ามฝั่งไปฝั่งนน้นโดยไม่ต้องไปลงน้ำอีกก็คือศึกษาธรรมะด้านวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองจิตดวงเดียวนี่ละโยมสามารถจะสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้ชั่วก็ได้ดีก็ได้สวรรค์ก็ได้นรกก็ได้นิพพานก็ได้จิตดวงเดียวสามารถจะทำได้หมดทุกอย่าง แต่อยู่กัอที่เราจะตั้งจิตบุ่งมั่นไปทางไหนถ้าเราตั้งผิดเราก็ลงนรกถ้าเราตั้งถูกก็ไปสวรรค์ไปนิพพานวันนี้เราตั้งถูกตั้งถูกทางสะพานแล้วก็เป็นไม้อย่างดีเรียวกว่าไม้พยุงที่มีราระแพงที่สุดในคันอนี้เกิดความนิยมไม้พยุงเปรียบเทยบเหมือนศีลสมาธิปัญญาที่เราได้ปักหลักตั้งฐานเข้าไปแล้ว ถ้าเราไม่มีใจเป็นมนุษย์ผู้มีความบริสุทธิ์เราจะไม่มีศีลบริบุญศีลเปรียตเสมือนสะพานที่เราจะต้องข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นพระองค์ทร ง, งตัดไว้ใครไม่มีศีลบำบ u l o จิตใจยากเหมือนต้นไม้ไม่มีรากเราจะปลูกไงก็ไม่ขึ้นแต่พวกเรานี่ปลูกขึ้นแล้วปลูกขึ้นแล้วพร้อมที่จะผลิตดอกออกผลให้ลูกให้ลานได้รับบริโภคต่อคือมรดกบุญตรงนี้สํานักพุทธ ของเราบนนี้วิถีพุทธแล้วก็อยู่ตรงนี้ในทีโอทีแห่งนี้มนุษย์หญิงชายทั้งหลายก็ดีเมื่อเกิดแล้วถ้ามีใจใฝ่หาความสุขความเจริญต้องมุ่งหาพุทธธรรมเนี่ยถือว่าเรามุ่งหาทางสายกลางที่จะเป็นทางออกจากทุกข์ทั้งหลายให้ตัวเราเองจิตดวงเดียวมุ่งมั่นไปทางใดก็ได้ทั้งนั้นถ้าเราตั้งใจมั่นถ้าเรามุ่งหาทุกข์แล้วก็สร้างบาปเยอะ สร้างเรื่องสร้างเราในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อตัวเองต่อเพื่อนมันสร้างง่ายแต่จะสร้างดีให้บริสุทธิ์มันสร้างยากเพราะฉะนั้นเราพยายามฝ่าขวาง้ํายากเราก็จะไปทางตันเราก็จะถางเราไม่มีมือเปล่าเรามีสติมาด้วยถึงจะถางได้นะทางไปสวรนี้ผ่านต้องมีสติถ้าขาสติ เราไม่มีกำลังที่ยทังต่อไปลงไพ่แพ้ต่ออารมณ์ภายนอกจิตมันจะส่งออกไปคิดดีคิดชั่วลงไหลไปตามกระแสทางโลกที่เป็นข่าวข่าวมากมายแต่เราสติเข้มแข็งเราจะเจริญสติไปพบพระพุทธเจ้าไปหาพระศาสดาจะต้องเดินทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาต้นไม้มีสองต้นคู่กันทุกข์ก็ดีสุขก็ดีมันสูงเท่ากันหมด แต่ เ, เราจะไปขึ้นต้นไหนเราจะเอาต้นนั้นไปปลูกไว้บ้านเราล่ะเอาต้นศีลปุกก็ต้นที่มีดอกออกผลเอาต้นไม้เป็นมันก็คือต้นทมแต่ความชั่วไว้เรียกว่าอากุศลเพราะนั้นเราเลือกบริพภคเป็นเราเลือกต้นศีลสมาธิปัญญาเลือกบริพภคความสุขความสว่างทางจิตทางใจต้นไม้ที่เราปลูกไปแล้วมันจะเติบโตไปช่วโลกชหลานพทธศาสนาก็ต้องอาศัยพุทธบริษัท ถ้าผู้ปฏิสัตยไม่ใส่ใจในคําสอนคําสอนไม่มุ่งมั่นต่อธรรมไม่รักษากิจของตนเอาไว้มันก็จะศูญเปล่าจะมีแต่พระอยู่ก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นญาติโยมทุกคนมีความสําคัญมากต่อพระพุทธศาสนาพระเป็นเพียงผู้บอกผู้รู้แล้วมาสอนมาสั่งก็ต้องอาศัยญาติโยมวันนี้ที่ทได้ทำหน้าที่ที่สมบูรณ์ แล้วก็ตั้งใจกันเหมือนยกขึ้นมาว่าทรรมโมหะเวรลักกติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมถ้าผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วย่อมพบกับความชิบหายมีแต่ความเดือดร้อนแต่ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนเหมือนสุภาษิตพระองค์ยกขึ้นว่าโลโกปัตถมพิกาความเมตตานั่นแหละ ย่อมคุ้มครองโลกทำให้โลกนี้มีความสุขเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งจะบำเพ็ญตนให้เหนือทุกข์เหนือสุขเข้าไปก็ยังยกจิตขึ้นไปต้องเมตตาธรรมตั้งแต่ตนไปหาคนอื่นเมื่อเรามีเมตตาตนแล้วเช่นกายเราเนี่ยเราเห็นกายเรามันสกรปรกเราก็เอาน้ำมาลูบมาขมหาสบู่มาล้างหาเสื้อผ้ามาคลุมให้มันรักษามันก็เมตตานะเมตตาตน เพื่อประดับประดาไว้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ให้กายมันเดือดร้อนอันนี้เมตตาตนแล้วก็พาร่างกายเนี่ยไปนั่งฟังธรรมไปทำบุญตักบาตรพาไปสวดมนต์บำเพ็ญเพียรนั่งสมาธิเดินองคมไปทำงานไปสื่อสารในสังคมต่างๆช่วยเหลือนุเคราะห์ชาวโลกนี่ก็เมตตาตนสิ่งที่ทำให้ตนมีความสุขเรียกว่าเมตตาตนเมื่อเมตตาตนได้แล้วก็เมตตาคนอื่นจิตก็เป็นกรุณา เห็นไหมจิตเกินนาปุ๊บไปเห็นสังคมเ้ากำลังมีความเดือดร้อนก็ยินดีที่จะช่วยเขาทำให้บำรุงจิตใจของตนเหมือนปลูกต้นไม้ที่จะได้ผลลับประทานเมื่อจิตเห็นเขาดีก็ดีไปด้วยเมื่อเห็นความทุกข์ก็เมตตาเขาช่วยเขาไปเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นที่เห็นเขาเป็นสุขเราก็พอยยินดีกับเขา เราไม่ไปอิจฉาที่อยากเขาเราโมทนากับเขาเสร็จแล้วก็มุ่งวังแต่ความบริสุทธิ์ปลดเปื้องทุกข์ให้ตนเองกูเบขาไปต่อบ้านน้นเดือดร้อนบ้านนี้เดื อ, อนนดร้อนงานนี้งานนั้นช่วยกันไปนี่แหละพระเจ้ามีความเมตตาคุ้งของโลกเราเพื่อฝึกผลดีแล้วจิตจะเกิดผลแบบนี้ถ้าจิตเรายังไม่พบกับพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เราจะเป็นคนที่ มีความเดือดร้อนตลอดเวลาศาสนาเราสอนให้เราเป็นสุขเปื้องออกจากทุกข์กายเรานี่แหละเป็นครูใหญ่จำเอาไว้อย่าไปมองที่อื่นเล็บมือเล็บเท้าผมคนเล็บฟันหนังคนนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดรู้เกิดปัญญาพระเจ้ากระตัดสรูต้ตรงนี้ตัดสรู้ที่ในเลือนร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานของโยมก็นึกว่ากายภายนอกเวลาทํางาน เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องรู้ระดึกของสติจิตแล้วก็จะบริบูรณ์กับคุณธรรมที่เราจเจริญสติพร้อมพิจารณาเป็นงานเป็นหลักเป็นฐานของสภ า, าวะจิตธรรมรมถ้าเราเพ่งพี่นิตาิงานจิระหว่างนั้นจิตจะได้สมถะได้กนิกะสมาธิเมื่อเรานั่งเฉยๆจิตมันจะรวมเป็นอุปจารสมาธิจิตระหว่างนี้จะเข้าไปค้นคว้าถึงความทุกข์ความสุขภายในจิตแล้วก็ทางโลก ถ้าก็พี่นาอยู่ภายในอยู่อย่างนั้นจิตจะมีอนุภาพมีพลังขึ้นมาพี่นะปุ๊บอาจจะเห็นความตายเป็นเหตุเหมือนโยมที่คุยว่าผมนั่งไปคอผมหายเอาดี น, น, นั่นเลยนั่บรณสติเหนื่ยพระเจ้าวะนึกถึงความตายตลอดเวลาจิตเราจะพ้นจากความตายพ้นจากความทุกข์พอมันจะไม่กลัวมันเห็นจนเบื่อเห็นจนชินเมื่อจิตเห็นชินแล้วเกิดปัญญามันก็สักแต่ว่า เกิดมาต้องเป็นอย่างนี้มันก็ปร่งเป็นอนิจจังไปเห็นไหมจิตมันก็เดินเข้ามรด้านไตลักได้เลยอยู่ๆวันหนึ่งภาวนาไปเสร็จเห็นเรื่องร่างกายมีแต่ของสกปรกมีของเน่าของเหม็นใน ร, ร่างกายนั้น่ะอสุภะอสุพังถ้าเราทําลายอสุภะอสุพังในชาติชลาโมรนะณะมันก็จะค่อยจางจะจิตความกลัวเจ็บกลัวป่วยกลัวไข้กลัวตายก็จะดับไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องดี ถ้าเราไม่เห็นตรงนี้เป็นที่สุดจิตไม่ละตรงนี้ได้เราเพออยงไงไรภาวนายังไงก็ไม่ถือมั่นถือว่าเกิดความรู้ได้พาะมีความกังวลนี่กังวลตรงไห น, นกังวลความรู้สึกว่ามันยังไม่อยากตายแต่พอเพลินเพียนถึงความตายที่สุดจิตมันจะพ้นจากความตายตายยังไงตายจากความถือมัน่นจิตมัน่นจิตมันจะเป็นผู้หลุดพ้นไปโดยอัตโนมัติเลย นี่สําคัญมากแล้วสําหรับผู้ภาวนาใหม่เมื่อกี้คุณโยมเป็นห่วงคนใหม่ก็มีคนเก่าก็ามีถ้าภาวนาเกิดอารมณ์อย่างนี้แล้วให้ตั้งสติไว้อย่าถอนอย่ากลัวอย่าหวัดหวันจงพีนะ่ตั้งสติไว้ประคองไว้โยมบอกผมมีอาการจิตมันรวมเนี่ยมันเป็นอะไรดวงไฟเขาขาเล็กๆผงก็กระหนุดดูอยากจะส่งจิต อ, ออกไปออกแว้นมันไม่ออกเราโยม มันรวมมาเป็นหนึ่งตั้งมั่นจะเป็นสมาธิเราประคองจิตไว้ดูนไปเรื่อยๆ๋มันจะค่อยสว่างสว่างขึ้นมาสักพักเดียวเมื่อจิตมันรวมพิ่ลงไปสว่างทั้งตัวทีนี้กําหนดตัวตรงไหนก็สว่างไปหมดเหมือนมีสปอตไลท์ดวงใหญ่เท่าพระจิ๋งส่องเรือนร่างกายทั้งภายนอกภายในเห็นระโยองระยะตับไตไส้พุงนี่อสุภะสุพังความไม่สวยไม่งามไม่เือนร่างกายมีอะไรบ้าง กำหนดลงไปตรงนั้นดูให้มันทั่วถึงอาการสามด้วยสองจิตมันไปพิจารณาแล้วก็พิจารณาตรงนั้นจนที่สุดว่ามันไร้สลายแปลเปลี่ยนไปจากแดงก็ไป็้ค่ำเปเหลืองสุดท้ายก็เป็นของเนา่าของเหม็นกองให้เราเห็นเป็นหมวดเป็นหมู่แยกแขนแยกขาแยกตัวกระดูกเดินดาวบางสังแยกออกไปอย่างนั้นที่สุดไม่มีตัวเราพอมีตัวเราพวกความถือมั่นในตัวเราก็จะหยุดมันก็ไม่ไปกังวลกับเรื่องเป็นนั่นเป็นนี่ เพราะปกติมันจะเป็นอย่างนั้นของธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเมื่อเห็นความตายในเรื่องร่างกายเกิดขึ้นนั่นแหละสิ่งดีที่สุดผู้เจ้าพ้นจากความทุกข์ก็เห็นความตายเป็นเหตุเป็นเหตุที่เกิดทุกข์แก่เจ็บตายเป็นธรรมดากเกิดปัญญาทึ่ได้ตัดสรูร ก, ก็ต้องผ่านสิ่งเหล่านี้เพรา ะ, ะนั่นความรู้ที่โยมพูดออกมาถือว่าเป็นเรื่องดีมากสำหรัคนภาวนาใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะถ้าไม่ผ่านตรงนี้โยมจะเดินมรรคมันก็ช้า ถ้าไม่ผ่านตรงนี้จิตไม่เด็ดเดี่ยวมันจะมีความกังวลกล้ากลัวถ้าเรกล้าดูวนไปดูนไปมันยจอยสลายมันแตกมันดับมันจะเป็นอะไรก็ดูวนไปเรื่อยๆดูไปแล้วจนสุดท้ายมันจะเกิดความรู้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้โลกทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้มันเป็นของใครเป็นไปไม่ได้มันเป็นของธรรมชาติไม่มีแต่เก่าก่อนมันมีแต่ก่อนทูตเจ้าจะตัดสรุปว่าก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ตอนเราไม่เกิดมันก็เป็นอยู่แล้วพอเรามาเกิดมันก็เป็นอย่างนี้อีกนั้นพบต่อไปจะมีไหมล่ะถ้ายังอยากมีก็เห็นสิว่ามันทุกขนะ์ไหมมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาสุดท้ายก็จะเกิดความรู้แจ้งในสิ่งที่เราสงสัยทั้งหมดมันจะตัดกระแสแห่งความหลงจิตก็จะดำเนินไปทางมรด้านวิปัสนาญาณ เกิดความรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกครั้งนั้นตาหนึ่งเข้าสู่ใจลักษณได้วิปัสสนาจิตมันจะรวมใหญ่อีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่มันจะรวมเกิดขึ้นนั่นแหละนี่คืออัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิถ้ามันรวมแล้วมันจะสว่างสวัยเย็นกายเย็นใจนั่งไปเหมือนอยู่บนท้องฟ้ากลางอากาศนะโยมนี่สําหรับคนที่ฝึกใหม่ๆจะต้องได้แบบนี้นะคนที่เป็นแล้วก็เดินด้านปัญญาไม่ต้องมาสนใจเรื่องสมาธิ เพราะสมาธิมันเกิดในจิตแล้วไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปนั่งด้านปัญญาพิจารณาเหตุตรงนั้นเลยไม่ต้องไปนั่งข่าเขีงงว่าจะต้องมานั่ง อ, อ, สอัสมาธิอีกชาิที่มันเกิดแล้วสาหรับคนไม่เกิดทำให้มันเกิดเกิดแล้วก็ปล่อยวางไปรู้แล้วเนี่ยกาลังสติสมาธิมันเหลือแต่เรื่องปัญญาอย่างเดียวปัญญาวิปัสสนานี่หนึง พิจารณาหนึ่งหนึ่งตลอดเวลาอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในทํางานไปด้วยที่นี่เป็นธรรมะล้วนๆหยิบปากกามาขีดมาเขียนก็เป็นธรรมะเปิดแฟ้มสมุดพิจารณาการงานคอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณสั้นยาวมันก็เหมือนร่างกายของเรานี่แหละน้อมเข้ามาอะไรทุกตัวเหมือนร่างกายเรานะสัญญาณที่เราส่งออกไปไม่มีไม่มีสายจะเป็นคลื่นสัญญาณเพราะสติปัญญาญาณก็ไม่มีต้น ไม่มีสายแต่มันไปตามกำลังพลังแห่งความว่างของจิตมันไม่มีสายแต่มีต้นนี่แหลที่จิตเราดวงเดียวเพราะฉะนั้นศูนย์ที่โอทีอยู่ตรงนี้แต่ว่าไปทางอยู่จังหวัดไหนมันไปไปยังไงนี่มันก็มีขคลื่นสัญญาณตอบโต้ตอบรั บ, บจิตเราเนี่ยไปสัมพันธ์โลกก็ได้สวรรค์ก็ได้ไปไหนไหนนิพพานก็ไปได้หมดไปอยู่ในโลกไหนก็ไปได้หมด เมื่อจิตเป็นบริบูรณ์แล้วมันไปได้หมดไม่ติดไม่ขัดอยู่ในปา่าในเขามันก็ว่างทั้งหมดลยโยมแต่ทีละทีจะมีศูนย์มีเ ส, สาไปตั้งแต่สติสัะรรยะมันเป็นหนึ่งเดียวแล้วมันไปกับเราได้ทุกภพทุกชาตินี่แหละผู้ปฏิบัติธรรม ทำย่อมรักษาผู้ที่ปฏิบัติดีก็ย่อมได้ดีผู้ที่ปฏิบัติชั่วก็ได้ชัว่วโบราณเขาว่าทำดีได้ดีทำรู้ได้ชัว่วมันเป็นอย่างนั้นคําพูดกับสติสมาธิปัญญาเอามาพิ จ, จรารณาพิจารณาไปเรื่อยๆอย่าได้ท้อแท้อย่าได้ท้อแทะท้อถอยอย่าได้หวาดหวัวน่วนว่าติดภาระหน้าที่หน้าที่นี่เป็นตัวกลุ่มกําลังเหมือนพลังพลที่เรารวมไว้เป็นกองทัพ แต่เท่าเมื่อไหร่จิตบรรงับได้นั่นล่ะคือปัญญาล้วนๆที่เราจะได้จากการภาวนาแล้วก็การทํา ง, งานหน้าที่เราจะรักทิโอทีนี้ตลอดชาติเลยอยากได้ลูกได้หลานมาเข้าต่ออยู่ในนี้ถ้าเราแยกแยะให้เป็นเราจะเห็นธรรมเกื้อกูลจิตเราทุกเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานอยู่กันสิบยี่สิบสามิบปีนี่แหละของดีที่เราอยู่หนึ่งอยู่แล้วเป็นสุขไหมข้าเป็นสุขนั่นละจิตเราเป็นธรรม ถ้าอยู่แล้วเป็นทุกข์จิตเรามีปฏิฆะมีโมหะมีโทสะเป็นต้นอยู่แล้วไม่เป็นสุขอยากแสวงตัวโ น, นตัวนี้แปลว่าจิตเรามีความโลภมีความทะยานอยากทําให้มีเวทนาเวทนาเกิดก็คือทุกข์นั่นแหละมาเกิดทุกข์แล้วก็มีเวทนากรรมมันก็เกิดกับเราเพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้รักษาธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ให้ทุกคนทุกท่านได้มีความสุขความเจริญในธรรมในวันนี้ใช้เวลาพอสมควรที่กําหนดไว้ ถ้ามีโอกาสได้ลาโรค ก, กันอีกเราก็จะมาถ้าขาดพระที่จะมานำพาแล้วก็ยินดีก็ขอความสุขสวัสดิจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้มีหัวใจใฝ่ธรรมขอให้ทรมเกดคุณจิตได้ในมิตรธรรมอุบายธรรมที่ดีแล้วก็ได้ปัญญาประหารกิเลสอุปาิเลสทั้งหลายให้ทหลาย ห, หายหสิ้นไปจากดวงจิตอันเด็ดเดี่ยวของพวกท่านทั้งหลาย ข, ขอให้อุดมสมบูรณ์ด้วยพว ก, กทรัพย์สมบัติเจริญด้วยสติปัญญาทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพรสาธุ